สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตองร้อยสูบแ218ตอนมืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่สองครับในตอนที่สองนี้เราจะพูดถึงวิธีแก้ไขครับเพียงครับโคจรนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทิวบทที่14มัตทิวบทที่14ข้อที่22จนถึงข้อที่33 โปรดฟังป้อจนะของพระเจ้าคันแล้วพระองค์ได้จัดให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วต้องเสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ก็ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกขึ้นพรองเพราะทวนลมอยู่ทานเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดําเนินบนน้ําทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหาสาวกเห็นพระองค์ทรงดําเนินมาบนทะเลเขาก็าตกใจหนะักราะ อ, อึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในขณะนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทําใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์ โรงตรัสว่ามาเถิดเปตโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้าไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกําลังจะจมก็ร้องว่าพรองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมมหัดจับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทําไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อเปตโตร ก, กับพระองค์ ขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงข้งหลชายที่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระองค์ทูลว่าตรองสทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วพี่นะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ไปนะครับว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณ น, นั้นทำให้คนเหล่ามองเรื่องราวฝ่ายวิญญาณไม่ชัดมองพระเจ้าไม่ชัดมองพระเยซูไม่ชัด มองกิจการของเขายืนยันโดยสุทธิ์ก็ไม่ชัดจะเมื่อวานนี้ครับได้พูดถึงมัทธิวนะครับบันทึกว่าเปโตรนั้นทูลต่อพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระงแน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้าไปหาพระองค์พระเยซูตรัส ก, กับเปโตรว่ามาเถิดที่นักครับเราจะเห็นการเดินบนน้ํานะครับซึ่งเป็นเรื่องราวแห่งการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเปโตรอย่างไงก็ตามครับเมื่อเปโตรเห็นลมแรงพัด ลงพัดแรงก็กลัวความกลัวนั้นทำให้ความเชื่อของเขาหดหายและในที่สุดเขาก็เริ่มจมลงเมื่อเริ่มจมลงงั้นเปโตรก็ร้องเรียกระเยซูให้ช่วยครับในข้อส1มสิบเอ็ดนะครับบันทึกว่าเปเยซูทรงเอื้อมพระหัสจับมือเปโตรดึงเขาไว้และตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเปเยซูกับเปโตรก็ขึ้นเรือนะครับลมก็เงียบ ยอนกับมากโกนั้นได้เล่าถึงเรื่องเปโตรเดินบนน้ำไว้ในบันทึกของเขามากโกแค่กล่าวว่าเหล่าสาวกไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นยอนบันทึกว่าทันทีที่พเยซูขึ้นเรือแล้วเลยก็ถึงฝั่งท่านครับในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงรุ่งสางนะครับเรือเดินทางไปได้ไม่ไกลหรอกครับแต่เมื่อพระเยซูขึ้นเรือแล้วเรือก็มาถึงฝั่งทันที เรงเห็นไหมครับว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับแต่สาวกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีมารโกบันทึกว่าพวกเขาไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องขนมปังซึ่งหมายถึงการเลี้ยงประชาชนห้าพันคนครับข้อความที่ว่าจิตใจของเขายังมืดมัวอยู่หมายความถึงการมืดมัวฝ่ายจิตวิญญาณครับการมืดมัวฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนี้จะต้องอาศัยเวลาอาศัย ประสบการณ์ที่เขาจะพบกับการอัศจรรย์การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพี่น้องสังเกตนะครับว่าอัครทูตหรือสาวกนั้นตลอดชั่ว3สามปีนะครับที่ใกล้ชิดกับพระเยซูพวกเขานั้นค่อยๆพัฒนาความเชื่อครับผมอยากจะยกตัวอย่างสองคนนะครับในเช้าวันนี้ที่จะเห็นถึงวิธีแก้ไขความมืดมัวฝ่าวิญญาณนะครับสองคนนี้นะครับเป็นาสาวกที่มีบุคลิกภาพเนี่ย ครับีะว่าตรงกันข้ามในทีเดียวคนแรกก็คือเปโตครับเปโตนั้นเป็นคนแรกเลยที่เริ่มเริ่มเชื่อนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คือโทมัสครับโทมัสเป็นคนสุดท้ายนะครับที่สงสัยนะครับและเขาเชื่อในที่สุดถ้าเราดูครับว่าไปโตนั้นเป็นคนยังไงเปโตนั้นเป็นคนที่เรียกว่าร้อนครับใจร้อนนะครับเป็นคนร้อนแรงนะครับเป็นคนที่มุทะลุผงผา แต่ว่าข้อเดียวของเขาก็คือว่าเขานั้นเชื่อจากเหตุการณ์ในพระธัมภี์ที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นทําให้เรารู้ว่าเปโตรนั้นมีความเชื่อและก็เช็คตรวจสอบความเชื่อของเขาโดยถามพระเยซูว่าถ้าเป็นพระเยซูจริงๆขอให้เดินบนน้าไปหาพระองค์เพราะก็มีความเชื่อมีความกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะเชื่อว่าถ้าเป็นพระเยซูจริงและพระองค์ยอมให้เดินบนน้ำเขาจะเดินได้เขาจะเดินได้ครับ เพราะฉะนั้นเห็นนี้เองทําให้เปโตรนั้นจึงเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเชื่อสูงครับคนที่มีใจร้อนนะครับคนที่ใจร้อนคนที่ร้อนแรงนะครับเขาอาจจะมีความเชื่อมากกว่าคนอื่นเขาอาจจะเป็นผู้นําเขาจะมีภาวะที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงก็คือมีภาวะผู้นําสูงครับคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ค ре ทีฟนะครับคเรทีฟในที่นี้หมายความว่าเขาคิดได้ยังไงครับว่าเขาจะ อยากจะเดินไปหาพระเยซูบนน้ําเห็นไหมครับความร้อนแรงของเขาความใจร้อนของเขาความดุดันมุดทลุมุกทะลุของเขานั้นทําให้เขาปรารถนาที่จะพิสูจน์อย่างทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับให้เกิดการปันทงขึ้นมาอันนี้คือบุคลิกภาพของเปโต่ลำดับที่สองว่าโทมสัสซี่เป็นไงบ้างโทมสัสซี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะที่สงสัยนะครับเขาเป็นคนที่โลจออิกมาก ต่อจากนั้ก็คือว่าใช่เหตุใช้ผลมากถามว่าทําไมโทมัมสต้งสง ส, สัยเรื่องการเป็นขึ้นเหตุความตายของพระเยซูเที่งสังเกตนะครับว่าตอนที่พระเยซูถูกจับในสวนเจสมานีสาวกของพระองค์นั้นก็พากันหนีจากพระองค์ไปหมดแมะกระทั่งยอนเองไปตัวเองซึ่งเป็นสาวกองค์งไหนนะครับนะก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าเป็นสาวกของพระเยซูนะโทมัสนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ เขาคงจะหนีไปนะครับอาจจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนต้นๆเลยด้วยซ้ําแต่ปัญหาก็คือว่าโทมัสสงสัยว่าถ้าเยซูเป็นพระไมซิยาเยซูเป็นผู้นําของเขาพระเยซูสามารถที่จะแสดงถึง ท, ที่อำนาจการอัศจรรย์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตสองสามปีที่เขาติดตามพระเยซูทําไมพระเยซูถึงไม่แสดงอํานาจของพระองค์เมื่อถูกจับทําไมพระเยซูยอมให้ถูกจับ และทําไมที่เยซูต้องยอมตายน้องครับเขาไม่เข้าใจเรื่องของการตายแทนครับการที่พี่เยซูจะต้องสิ้นพะชนบน้อยขังเขนเพื่อที่จะนํามาซึ่งความรอดของผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็คือเราทั้งหลายโทมัสสงสัยนะครับเกิดความมืดมัวฝ่ายวิญญาณน้องเห็นไหมครับขณะที่ไปโตก็เริ่มสงสัยเพราะไหนครับเพราะเขาเห็นคลื่นลม นะครับเพราะเขาเกิดความกลัวเมื่อเขาเริ่มสงสัยเมื่อเ็ากลัวเขาจะต้องจมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันกับทั้งคู่ก็คือสงสัยนะครับมันจะทำลายความเชื่อสงสัยมันจะก่อให้เกิดความกลัวพี่น้องครับโทมัสนั้นใช้เหตุใช้ผลในการที่จะเข้าใจพระเจ้า แต่เข้าใจไม่หมดครับเขาไม่เข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดทีการตายแทนทำให้ชีวิตของโทมัสนั้นขาดสันติสุขครับเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่จะชื่นชมยินดีกับการเสด็จกับการเสด็จเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนะครับแต่ว่าในที่สุดนั้นโทมัสนั้นก็ตาเพื่อนเพื่อนทางครับเพราะอะไรครับเพราะเขากลับใจ ับพระเจ้าก็ใช้ครับในที่สุดโทมัสนั้นก็ไปประกาศให้ที่คุณถึงประเทศอินเดียครับตามประวัติสายของปิดจั้นทีนี้ครับผมอยากจะสุดในชาวันนี้นะครับว่าความมืดมัวฝ่ายญญาณนั้นไม่เหมือนกับความมืดบอดนะครับความมืดบ่อนั้นมองอะไรไม่เห็นเลยครับแต่ความมืดมัวนั้นเห็นลางๆการเห็นลางๆนั้นอาจจะเป็นดาบสองคมเพราะอะไรครับเนื้อตรายครับเพราะเพราะว่าหลายหลคนเนี่ยคิดว่าเราเห็นนะครับเหมือนกับคนที่เป็นต้อกระจกนะครับ เขาก็มองเห็นลางๆนะครับเขาคิดว่าเขาเห็นแต่จริงแล้วเขามืดมัวครับพี่น้องครับการที่เราจะแก้ไขความมืดมัวออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณประการแรกเลยนะครับมีสี่ประการนะครับประการแรกก็คือเราจะต้องรู้ตัวก่อนครับเยรู้ตัวว่าเรามืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับมืดมัวฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้สํานึกนะครับและตระหนักว่าเรามองอะไรไม่ค่อยชัดนะ เราไม่เข้าใจเรื่องราวฝ่ายวิญญาณนะเราไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรามกจะตั้งคาถามว่าทำไมทาไมทาไมอะไรอะไรอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงคำถามของคนที่ไม่เข้าใจคำถามของคนวิจารเพราะฉะนั้นเขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ออกนะครับอันนี้เกิดความมืดมัวนะครับเมื่อรู้ตัวนะครับเราต้องรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วนะครับ เราต้องเอาไม้ออกครับการเอาไม้ทั้งท่อนออกนะครับหมายความถึงการที่ต้องถ่อมใจเอาอีโก้ของตัวเองออกครับเอาอีโก้ของตัวเองออกเพราะฉะนั้นต้อปฏิเสธตัวเองนะการเอาไม้ทั้งท่อนออกนี่หมายถึงการที่เราจะต้องถ่อมใจลงเอาอีโก้ของตัวเองออกนะครับประการต่อไปครับอันที่สามก็คือวิธีการแล้วนะครับต้องสารภาพและกลับใจครับเพราะเหตุที่ว่าความมืดมัวของมาญาท่าน จริงๆแล้วไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบาปนะครับหลายครั้งความมืดมัวฝันยันทาให้เราตีความพระคัมภีให้ความหมายรรมพระคัมภี์ผิดไปความมืดมัวฝันยันเกิดจะประสบการณ์ที่อ่อนด้อยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาที่ผิดไปเราจะต้องตสารภาพขอพระเจ้ายกโทษนะครับและกลับใจใหม่ประการสุดท้ายครับเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าและท่องยันโดยสุดครับ พึ่งพระเจ้าพึ่งพระพุทธามประชุดโดยการไข้ควรโภชนะของพระเจ้านะครับโดยการใไข่ควรโภชนะของพระเจ้าให้ควรชีวิตของตัวเองนะครับเราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าให้มากนะครับอ่านโพชนะของพระเจ้าให้มากอธิษฐานให้มากนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือความสัมพันธ์เพียงครับหลายในครั้งทีเดียวหลายในคนนะครับเชื่อพระเจ้ามาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีครับ แต่ความสาัมพันธ์ไม่ค่อยดี <rejo in. S 1> กับพระเจ้าพอเลยครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพระเจ้านะครับไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ค่อยได้ไข้ขวนพอะวจนะไม่ค่อยได้อธิษฐานไม่ค่อยได้หยุดนิ่งฟังเสียงที่มาจากพระเจ้านะครับอาการสุดท้ายครับเราจะต้องเอาชนะความกลัวนะครับ Med. เอาชนะความกลัวให้ได้การเพิ่มฟูนความเชื่อนะครับเกิดจากการแต่ต้อง มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีและในจุดนั้นก็เอาชนะความกลัวได้ความเชื่อทําให้เราชนะความกลัวเพราะฉะนั้นผมอยากจะสุกนะครับสี่อย่างเมื่อเรารู้สึกว่าเรามืดมัวฝ่ายยังยานนะครับเราจะต้องเริ่มรู้ตัวเองครับสํานึกและตระหนักนะครับเหมือนกับคนที่เป็นต้อกระจกต้องรู้ตัวว่าเราเปนต้อนะครับอันที่สองก็คือว่าเราจะต้องเอาไม้ทั้งท่อนออกจากตาตัวเองก่อนนะครับ เอามายถึงข้หมายความว่าครับหมายความว่าจะต้องผ่อนใจลงนะครับลดอีโก้ของตัวเองเอาอีโก้ไปนะครับอธิษฐานก็คือสรารภาพขอการให้อภัยกับใจใหม่ครับตั้งใจค ร, ครั้งหนึ่งและประการสุดท้ายก็คือพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในขณะที่เราใช้เวลากับพระเจ้าในาให้ควรเพราะฉนะ่ะให้ควรตรวจสอบชีวิตของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์แปลตามเวลานะครับถ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามาก นะครับเราจะต้องใช้เวลากับโร่งยิ่งมากอามน